งงญญวิทยุราชมงคลธัญบุรีกับช่วงเวลาแห่งความสุขพระราชพิธีบรมราชาพิเศษพุทธศักราชสองพันห้าร้อยหกสิบสองพระราชพิธีสำคัญในการเสด็จถล่มถวยายเลียรราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์ที่สิบ แห่งพระบรมราชจักษรีวงร่วมกันเข้าเฝ้าทุลอมทุลีพระบาทพระบาทสมเดจพระวัชีระเกลาวเจ้าอยู่หัวสมเดจพระนางเจ้าสุทธิดาพ mixes ทาพิม fortunate ลักพระบรมราชินีและถวายพระพรชายมงคลเนื่องในโอกาสเสร็จพระราชจะดำเนินเรียบพระนครโดยขบวンタยุษ aguesfy ห mijn duck rattform ทางโ chills ในพระราชปิธี วันที่ยี่สิบสี่ตุลาคมศกนี้พระราชพิธีบรมราชาพิเศษพุทธศักราชสองพันห้าร้อยหกสิบสองครั้งหนึ่งในชีวิตกับพระราชพิธีสำคัญยิ่งของคนไทยพิพิธภัณฑ์บัวมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบรุรีแหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวเชิองอนุรักษ์ที่ได้รวบรวมสายพันธุ์บัวมากกว่าหนึ่งร้อยสายพันธุ์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 หรือที่ www.lotus.rmutt.ac.th ศูนย์นวัตกรรมความรู้ RMUTT Innovation and Knowledge Center ภายใต้การดูแลโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีราชมงคลธัญบุรีเปิดโซนใหม่พร้อมให้บริการกับทุกท่านแล้วที่นี่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 สวัสดีครับคุณผู้ฟังกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับทุกวันอังคารแบบนี้นะครับกับรายการฟู้ดเดลิเวอรี่นะครับวันนี้นะครับมาพบกับผมนัทพลดีอุดนะครับกับเรื่องราวข่าวสารนะครับต่างๆเกี่ยวกับอาหารผู้ชนะการนะครับกลลิมิตเคล็ดลับต่างๆนะครับข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับเรื่องของอาหารผู้ชนะการนะฮะเราจะนำมาบอกต่อให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันในรายการแห่งนี้นะครับคุณผู้ฟังครับ รายการฟู้ดเดลวีในครับอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี FM แปดสิบเก้าจุดห้ามิคราเฮิรต์นะครับโดยมีผมนัทพลดีอุดเป็นผู้ดำเนินรายการนะครับแล้วก็มีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรกุลการณิททองเงาเป็นผู้ควบคุมการผลิตรายการนะครับคุณฟังครับวันนี้มาเริ่มต้นในช่วงแรกนะครับกับเรื่องเล่าก่อนเข้าครัววันนี้เรื่องเล่าก่อนเข้าครัวครับคุณฟังผมมีเรื่องราวของเจ็ดเช็คกริชนะครับมาให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันว่าเราจะรู้ได้ไงนะฮะเช็ค ลิตรอะไรบ้างที่จะบอกว่าเราเนี่ยกำลังติดหวานอยู่หรือเปล่านะครับคุณผู้ฟังครับองค์การอนามัยโลกแนะนำให้รับประทานน้ำตาลวันละไม่เกินหกช้อนชาหรือประมาณยี่สิบสี่กรัมนะครับด้วยโรคเบาหวานครับคุณผู้ฟังถือว่าเป็นสาเหตุหลักของโรคหัวใจอัมพฤกษ์อมัอมาพาตตาบอดและไตายหวายนะครับและพบว่าหนึ่งในสองคนจะเป็นเบาหวานโดยไม่รู้ตัวนะครับซึ่งการลดอของหวานก็ทำได้ง่ายๆนะครับ ซึ่งเราจะค่อยๆลดปริมาณลงวันและนิดนะครับจนกว่าร่างกายเนี่ยจะสามารถปรับตัวกับความหวาน ที่น้อยลงได้นะครับหรือว่าอาจจะแทนด้วยการดื่มน้ำเปล่านะครับโดวยไม่ปล่อยให้ร่างกายเนี่ยขาดน้ำเนื่องจากจะทำให้รู้สึกหิวและเพิ่มความอยากความหวานได้นะครับด้วยของหวานนะครับคุณฟังก็คือความพึงพอใจของใครหลายคนเลยแหละนะครับโดยเฉพาะขนมไทยที่หอมหวานชวนกินไม่ว่าจะเป็นขนมถ้วยขนมหม้อแกงขนมตะโก้ขนมเปียกปูนรวมถึงขนมหวานในงานมงคลต่างๆสารพัดอย่างเลยนะฮะทั้งฝอยทองทองหยิบทองหยอดมิดขนุนนะฮะแล้วก็มีอีก หลายสารพัดเมนูเลยนะครับแม้ว่าขนมไทยครับคุณผู้ฟังจะไม่มีนมมีเนยแต่ก็มีแป้งมีน้ำตาลและไข่เป็นส่วนผสมหลักนะครับซึ่งหากเรากินแป้งหรือน้ำตาลมากเกินไปก็อาจเสี่ยงต่อาการเกิดโรคเบาหวานซึ่งเป็นภัยเงียบนะครับถ้าหากปล่อยจนเลื้อยลางอาจส่งผลให้เกิดภาวะแทรกซ้อนอย่างเช่นเบาหวานขึ้นตาไตาวายและที่พบเห็นบ่อยนั่นก็คือแผลที่รักษาไม่หายนะครับคุณผู้ฟังครับเบาหวานนี้ถือว่าเป็นเรื่องง่ายๆมากเลยนะฮะเป็นเรื่องใกล้ตัวที่เราก็ควรที่จะต้องระวังนะครับเพราะ ว่าโรคเบาหวานนี้ถือว่าเป็นสาเหตุหลักของโรคหัวใจโรคอัมพาตโรคอัมพาตโรคตาบอดนะครับรวมถึงไตาวายและหนึ่งในสองคนเป็นเบาหวานไม่รู้ตัวนะครับโดวยสมาคมเบาหวานนานาชาติคาดการณ์นะครับว่าจะมีผู้ป่วยเบาหวานถึงห้าร้อยยี่สิบสองล้านคนในอีกสิบปีข้างหน้านั่นก็คือในปีคศของสองพันสามสิบนะครับซึ่ง จากรายงานสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลแห่งประเทศไทยพบนะครับว่าอัตราการบริภกน้ำตาลของคนไทยเพิ่มขึ้นจนถึงปัจจุบันเฉลี่ยมากถึง20ถึง26ช้อนชาต่อคนต่อวันเลยทีเดียวนะครับ ซึ่งองค์การอนามัยโลกแนะนำให้รับประทานน้ำตาลเพียงแค่วันละหกช้อนชาหรือว่ายี่สิบสี่กําซึ่งเทียบง่ายๆเลยครับคุณผู้ฟังโดยน้ำตาลสี่กําจะเท่ากับหนึ่งช้อนชาจะเห็นได้ว่าคนไทยเนี่ยบริโภคน้ำตาลเกินจากปริมาณที่แนะนำหลายเท่าตัวเลยทีเดียวนะครับโดยน้ำตาลอาจแฝงมาในหลายรูปแบบโดยเฉพาะขนมไทยชนิดต่างๆเนื่องจากขนมไทยมีวิธีการปรุงและตักแบ่งขายโดยไม่มีบรรจุภัณฑ์มาตรฐานที่ระบุคุณค่าอาหารและปริมาณน้ำตาลไว้ให้เราเห็นได้อย่างชัดเจนนะครับ มาดูตัวอย่างกันครับคุณผู้ฟังว่าขนมไทยต่างๆเนี่ยมีปริมาณน้ำตาลอะไรบ้างผมยกตัวอย่างสักห้าหกอย่างละกันนะครับอย่างแรกเลยก็คือขนมเปียกปูนครับคุณผู้ฟังซึ่งขนมเปียกปูนหนึ่งชิ้นจะมีน้ำตาลถึง หนึ่งชิ้นเนี่ยหนักห้าสิบกรัมจะมีน้ำตาลถึงสิบกรัมเลยทีเดียวนะครับถ้าเป็นข้าวต้มมัดไส้กล้วยหนึ่งชิ้นหนักประมาณเจ็ดสิบกรัมจะมีน้ำตาลอยู่ประมาณสิบจุดห้ากรัมนะครับถ้าเป็นข้าวเหนียวสังขยาหนึ่งห่อประมาณหนึ่งร้อยกรัมมีน้ำตาลสูงถึงสิบเก้ากรัมเลยทีเดียวนะครับถ้าเป็นข้าวเหนียวหน้าปลาแห้งหนึ่งห่อประมาณหนึ่งร้อยกรัมจะมีน้ำตาลสูงถึงยี่สิบสองกรัมเลยทีเดียวนะครับขนมทองหยอดหนึ่งลูกประมาณเก้ากรัมมีน้ำตาลอยู่ถึงห้าจุดหนึ่งกร หนึ่งเม็ดเนี่ยประมาณแปดกรัมมีน้ำตาลอยู่ถึงสามกรัมแล้วก็สุดท้ายฝอยทองนะครับหนึ่งแพร์ประมาณสามสิบสองกรัมเนี่ยน้ำหนักสามสิบสองกรัมเนี่ยมีน้ำตาลสูงถึงสิบสองจุดแปดกรัมเลยเลยเลยทีเดียวนะครับซึ่งถือว่าหลากหลายขนมมีความหวานนะฮะ ร, รวมถึงมีปริมาณน้ำตาลที่ค่อนข้างสูงเลยทีเดียวนะครับคุณผู้ฟังจะรับประทานขนมอันไหนก็ลองเลือกดูนะฮะว่าหากหวานมากก็ควรรับประทานให้น้อยลงนะครับเพื่อร่างกายของเราเนี่ยจะได้รับความหวานน้อยลง ด้วยนะครับแล้วเราจะรู้ได้อย่างไรครับคุณผู้ฟังว่าเราเนี่ยติดหวานอยู่นะครับซึ่งอย่างแรกเลยก็คือถ้าหากเราอยากรับประทานขนมหวานรวมถึงผลไม้ลดหวานผลไม้แห้งและผละไม้เชื่อมหรือผลไม้แช่อิ่มบ่อยๆถือว่าเราอาจจะติดหวานแล้วก็ได้นะครับซึ่งหากไม่ได้รับประทานของหวานจะรู้สึกไม่มีแรงเหนื่อยหงุดหงิด หิวบ่อยหรือมักจะนึกถึงเมนูอาหารอยู่เสมอแม้ว่าเพิ่งจะรับประทานอาหารเสร็จนะครับซึ่งหลังจากอาหารทุกมือ้อต้องตามด้วยขนมหวานผลไม้หวานน้ำอัดลมหรือน้ำหวานซึ่งมีของหวานติดบ้านเป็นประจำนะครับหรือบางไรายอาจจะเติมน้ำตาลในอาหารข้าวเกือบทุกจานเลยทีเดียวนะครับรวมถึงมีการดื่มน้ำอัดลมน้ำหวานชากาแฟรสหวานเทน้ำเปล่าตลอดทั้งวันนะครับ ซึ่งหากเราลดปริมาณความหวานลงได้เราก็จะลดต่อการเสี่ยงลดโรคต่างๆที่ได้บอกไปนะครับซึ่งหากเรารับประทานของหวานแต่พอดีหรือรับประทานเพียงชิ้นเล็กๆนะครับเลือกผลไม้ไม่หวานจัดแทนขนมหรือผลไม้ลดหวานอย่างเช่นชมพู่ฝรั่งนะครับงดการเติมน้ำตาลในอาหารเครื่องดื่มหรือขนมโดยอาจเริ่มต้นจากการลดปริมาณลงไปเรื่อยๆก่อนนะครับจนในที่สุดจึงไม่ต้องเติมอีกเลยนะครับหรืออาจจะมีการดื่มน้ำเปล่านะครับโดยไม่ต้องปล่อยให้ร่างกายเนี่ยขาดน้ำเนื่องจากถ้าเรารู้สึก ถ้าเราขาดน้ำแล้วเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเราหิวและเพิ่มความอยากของหวานมากยิ่งขึ้นนะครับรับประทานอาหารที่มีกากใยสูงเช่นผักผลไม้ข้าวกล้องและถั่วเปลือกแข็งนะครับเพื่อช่วยบรรเทาความอยากของของหวานได้นะครับและที่สำคัญเลิกตุนขนมไวในบ้านครับคุณผู้ฟังรวมถึงควรอ่านฉลากโภชนาการเพื่อดูปริมาณของผลิตภัณฑ์นั้นๆถูกขังด้วยนะครับและที่สำคัญนะครับอย่าลืมออกกำลังกายอย่างน้อยสัปดาห์ละห้าครั้งครั้งละสามสิบนาทีนอกจากจะช่วยเผาผลาญพลังงานแล้วยังจะช่วยให มีกิจกรรมน่าสนใจจะได้ไม่ได้คิดถึงแต่เรื่องอาหารนะครับซึ่งการเลี้ยงของหวานนะครับคุณผู้ฟังอาจไม่จำเป็นต้องหักดิบเลิอกของหวานโดยเด็ดขาด น, นะครับแต่เราสามารถทำได้โดวยค่อยๆลดปริมาณลงวันละนิดละนิดนะครับจนร่างกายของเราเนี่ยจะปรับตัวตามความหวานที่น้อยลงนะครับแม้ขนมไทยจะมีความหอมหวานและรสชาติอร่อยนะครับแต่ความหวานที่มากเกินไปอาจจะเป็นสาเหตุของโรคเบาหวานรวมถึงโรคอื่นๆที่ตามมานะครับจนทำให้เราเนี่ยสูญเสียอวัยวะหรือถึง แก่ชีวิตในที่สุดนะครับขอบคุณข้อมูลด้วยนะครับจากในแพทย์จิรธีพขวนแก้วแพทย์ชำนันการด้านอายุรศาสตร์โลกต่อมไล่ท่อและ Metabolitum นะครับ โรงพยาบาลสมิติเวชศรีนครินครับคุณฟังครับเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่นะครับช่วงนี้มาติดตามกันต่อกับช่วงเมนูนักคิดนะครับวันนี้เมนูนักคิดนะครับผมมีนวัตรกรรมจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าวเจ้าขุนอาหารราชกระเบงนะครับเป็นผลิตภัณฑ์ที่โชว์นวัตรกรรมถึงสตรีทฟู้ดสู่อินเตอร์นะครับหมูปิ้งไร้ค、right、วันลดเข็นผลไม้ไฮโซนะครับเรื่องราวเป็นยังไงติดตามได้ในช่วงนี้ครับ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 ติดต่อสับถามหรือปรึกษาฟรีโทรง 02-592-1999 เพื่อนเอ้ยรุ่นใหญ่อย่างพวกเราอาบน้ำร้อนมาหลายสิบปีอย่าไปยอมให้ใครมาหลอกไงง่ายพวกขอสนาชวนเชื่อเนี่ยหน้าชื่นอกรมมานักตอนนัก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 กลับมากับช่วงนี้ครับกับช่วงเมนูนักกิจครับวันนี้เมนูนักกิจนะครับผมมีนวัตรกรรมจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารรักษาบังนะครับมาฝากคุณผู้ฟังนะครับในการชงรัฐบาลหนุนธุรกิจสตรีทฟู้ดไทยและตระหนักหลักมาตรฐานความปลอดภัยด้านอาหารหรือว่าฟู้ดเซฟตี้นะครับซึ่งเป็นปัจจัยที่สำคัญในการขับเคลื่อนระบบเศรษ ฐ, ฐกิจมวลรวมของประเทศนะครับคุณผู้ฟังพร้อมแสดงสามนวัตกรรมยกระดับคุณภาพสตรีทฟู้ดไทยด้วยระบบที่สะอาดและปลอดภัยสุดล้ำนะฮะนั่นก็คือรถเข็นผลไม้ ลดเข็นหมูปิ้งสุดครีนและหุ่นยนต์ขายหมูปิ้งนะครับซึ่งจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ค้านะครับพร้อมลดความเสี่ยงการรับประทานอาหารไหมหรือสุกเกินพอดีของผู้บริโภคนะครับทั้งนี้นะครับเป็นการขับเคลื่อนภายใต้แคมเปญสถาบันเทคโนโลยีพระรามเก้าเจ้าขุนอาหารลาดกระบังเตรียมยกระดับสตรีทฟู้ดไทยหนุนอุตสาหกรรมท่องเที่ยวระดับเวิร์คคาร์ดนะฮะเร่งเครื่องมาตรฐานฟู้ดเซฟตี้ธุรกิจสตรีทฟู้ดกรุงเทพนะครับ พร้อมชูต้นแบบสตรีทฟู้ดชุมพรที่พลิกมาตรฐานอาหารริมบาตรวิถีในสี่มิตินั่นก็คือหนึ่งยกระดับอาหารปลอดภัยสองรังสรรค์นเมนูแปลกใหม่สามรีดีไซน์ลดเขียนและแพคเกจจิ้งนะครับสี่สร้างตอรี่ให้ร้านค้าทั้งนี้นะครับคุณฟางสตรีทฟู้ดไทยยังสามารถสร้างเม็ดเงินเข้าประเทศเฉลีย่ยต่อปีกว่าสองจุดสอง 8แสนล้านบาทนะครับซึ่งมีอัตราการเติบโตอยู่ที่ 5.4% นะครับโดวยศาสตราจารย์ดอเตอรสุชัดวีสุวรรณสวัสดนะครับอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารรัฐกระบังหรือว่าสอจรอนั่นเองกล่าวนะครับว่าสอจรอเองผุดแคมเปญสอจรอเตรียมยกระดับสตรีทฟู้ดไทยหนุนอุตสาหกรรมท่องเที่ยวระดับเวิร์คชาร์ท ครั้งแรกนะครับโดยมุ่งเร่งมาตรฐานอาหารปลอดภัยของธุรกิจสตรีทฟู้ดของกรุงเทพให้ได้มาตรฐานความปลอดภัยด้านอาหารหรือว่าเซฟตี้ฟู้ดนะครับผ่านการเปิดคอร์สเสริมศักยภาพผู้ประกอบการทั้งหลักการปรุงคุณประโยชน์และพัฒนา เรื่องสูตรบรรจุภัณฑ์เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยรวมถึงชาวต่างชาติด้วยนะครับคุณผูฟ้ฟังให้มีความเชื่อมั่นในความสะอาดปลอดภัยที่ยังคงเอกลักษณ์เรื่องของความอร่อยรวมถึงคงเอกลักษณ์เรื่องของรสชาติด้วยนะครับพร้อมทั้งเรียกร้องให้รัฐบาลเนี่ยหนุนสเตตฟู้ดของไทยเนี่ยและตระหนัก ถึงความสำคัญของสตรีทฟู้ดเซฟตี้ที่มีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจมวลรวมของประเทศนะครับด้วยครั้งนี้นะครับแคมเปญดังกล่าว น, นับเป็นการตอกย้ำจุดแข็งของสาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังนั่นก็คือรากฐานนวัตรกรรมของประเทศที่มุ่งพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตรกรรมยกระดับสังคมในมิติต่างๆตลอดจนปูทางประเทศไทยให้เป็นสังคมแห่งสมาร์ทซิตี้ในอนาคตด้วยนะครับด้านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรณัฐพัทรวีเหลืองสกุลหัวหน้าศูนย์ฟู้ インノポリス。 skmitl นะฮะกล่าวนะครับว่าที่ผ่านมาทางสงจรเองได้ร่วมกับสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยในการดำเนินโครงการการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมพรประตูสู่แผ่นดินใต้ด้วยการยกระดับอาหารริมบ่าทวิถีชุมพรนะครับเพื่อยกระดับมาตรฐานร้านค้าริมบ่าทวิถีณถนนกรมหลวงชุมพรผ่านการยกระดับธุรกิจสตรีทฟูด้ดในสี่มิตินั่นก็คือหนึ่งเลยนะครับยกระดับอาหารปลอดภยัยผ่านการจัดอบรมเรื่องของอันตรายปลอดภัยแบบครบ กรูปห่วงโซ่อาหารจัดทีมที่เลี้ยงให้คำแนะนำเรื่องของความสะอาดถึงหลังครัวเลยทีเดียวพร้อมกับเก็บตัวอย่างของวัตถุดิบอาหารนะครับเพื่อวิเคราะห์หาอันตรายทางเคมีและจุลินทรีย์ในห้องแล็บนะครับสองรังสรรค์นเมนูแปลกใหม่ด้วยการต่อ ย, ยอดจากเมนูที่ขายเพื่อให้เกิดความแปลกใหม่และเพิ่มรายได้พร้อมให้อ่าพร้อมใช้ประโยชน์จากวัตถุดิบท้องถิ่นเพื่อจัดจำหน่ายนะครับสามรีดีไซน์รสเคียนและแพคเกจจิ้งจากการดีไซน์ฟังชันรสเคียนให้เป็น ทั้งจุดป้องการันการปวนเปื้อนสวยสะดุดตาและสะดวกต่อการใช้งานนะครับและสี่ครับสร้างสตอรี่ให้ร้านค้าด้วยการสร้างจุดเด่นให้กับร้านค้าเพื่อเป็นการสร้างคุณค่าและเพิ่มมูลค่าแก่เมนูอาหารนะครับและล่าสุดครับคุณฟังทางสอจรอเองก็ได้พัฒนาสามรตกรรมต้นแบบเพื่อสายสตรีทฟู้ดยุคใหม่ได้แก่หนึ่งเลยนะครับรถเข็นผลไม้ไฮโซสะอาดปลอดภัยด้วยระบบสุดไฮยีนนะครับมาพร้อมระบบทำความเย็น ผลไม้นะครับและระบบกองน้ำดีน้ำเสียที่จะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภคได้นะครับว่าจะได้รับผลไม้ทั้งสดสะอาดอย่างแน่นอนจากการมีช่องจำหน่ายความเย็นมาตรฐานที่ช่วยคงความสดของผลไม้และมีการชำระล้างผลไม้ด้วยน้ำที่ผ่านระบบกองก่อนและหลังใช้นะครับเพื่อให้ผู้ค้าเนี่ยสามารถเททิ้งได้โดวยไม่กระทบต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งนอนาคตเตรียมพัฒนาต่อในรูปแบบของธุรกิจอาหารประเภทก๋วยเตี๋ยวด้วยนะครับอย่างที่สองครับลดเข็นหมูปิ้งครับคุณผู้ฟัง กรองควันใส่ปิ้งนะครับด้วยระบบบำบัดควันสุดไฮเทคมาพร้อมเตาปิ้งย่างชุดกรองอากาศระบบกรองน้ำถังเก็บน้ำเสีย ไขมันรวมถึงระบบให้แสงสว่างด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ที่นอกจากจะได้รับหมูปิ้งที่ปลอดภัยและมือผู้ขายที่สะอาดหมดจดแล้วนะครับยังมีระบบบำบัดควันที่เกิดจากการปิ้งย่างให้เบาลงด้วยรวมถึงระบบคัดกรองน้ำเสียที่สามารถแยกน้ำดีและไขามันออกจากกันเพื่อความสะดวกในการกำจัดทิ้งของผู้ค้าซึ่งในอนาคตนะครับเตรียมนำเทคโนโลยีเข้ามาปรับใช้เพื่อเพิ่มฟังก์ชันในการออรเดอร์สินค้าด้วยและบอกผู้ชนะการของผู้บริโภคที่จะได้รับด้วยนะครับและอย่างที่สามนั่นก็คือหุ่นยนต์ขายหมูปิ้ง หนุนเพิ่มเวลาผู้ค้านะครับลดเสี่ยงเสบหมูไหม้นะครับด้วยหุ่นยุ่นแขนกลที่มาพร้อมกับความสามารถในการหยิบจับและเตรียมอาหารให้พร้อมด้วยตัวเองเพื่ออำหนดความสะดวกให้กับผู้ค้าได้มีเวลาในการเตรียมการส่วนอื่นๆเพิ่มขึ้นนะครับอีกทั้งยังลดความเสี่ยมรำของการรับประทานอาหารที่ไม่สุกหรือสุกเกินพอดีนะฮะของผู้บริโภคเนื่องจาก ผู้พัฒนาได้ทำการป้อนข้อมูลให้หุ่นยนต์เนี่ยหยิบหมูปิ้งขึ้นจากเตาอย่างในเวลาที่กำหนดเพื่อป้องกันหมูไม่เกี๊ยมและลดความเสี่ยงของการบริโภคอาหารที่ไม่ปลอดภัยของผู้บริโภคด้วยนะครับ คุณผู้ฟังครับทางนี้นะครับทีมวิจัยได้ลงพื้นที่สำรวจตัวอย่างความเห็นของผู้บริโภคและผู้ประกอบการผ่านยา่ยานเยาวราชวังหลังและคลองแสนพบว่าผู้บริโภคเรียกร้องให้สตีฟฟูดเนี่ยมีมาตรฐานความสะอาดและความปลอดภัยเช่นมีการตรวจสอบสารปนเปื้อนในวัตถุดิบนะครับเชื้อโรคปนเปื้อนในอาหารการใช้น้ำมันทอดซ้ำรวมถึงร้านค้าควรมีป้ายหรือเครื่องหมายอาหารปลอดภัยและป้ายบอกเมนูอาหารพร้อมราคาที่ชัดเจนหลายภาษาเลยทีเดียวนะครับโดยเหตุผลส่วนหนึ่งอาจจะเป็นมาจาก ผลปัจจัยทางด้านการศึกษาองค์ความรู้เรื่องมาตรฐานอาหารปลอดภัยและความเคยชินของผู้ประกอบการขณะที่ผู้ประกอบการเองก็ยังคิดนะครับว่าต้องการรถเข็นที่มีน้ำหนักเบาเคลื่อนย้ายสะดวกล้อแข็งแรงและมีแสงสว่างที่ประหยัดค่าใช้ใจ่ายนะครับซึ่งคุณผู้ฟังท่านไหนสนใจนวัตรกรรมเหล่านี้นะครับก็สามารถสอบถามไปที่สำนักบริหารงานทั่วไปและประชาสัมพันธ์ของสถาบันเทคโนโลยี พระจอมก้าวเจ้าคุณอาหารลัตกระบังหรือว่าสอจรอได้นะครับที่หมายเรียกโทรศัพท์ 02-329-8111 ครับถือว่าเป็น3นวัตกรรมสุดล้ำจากสอจรอที่ผุดมาให้กับเชาว ผู้ค้ารวมถึงสเต็กฟู้ดเนี่ยได้พัฒนายกระดับศักยภาพของอาหารของไทยนะฮะให้ไปสู่ความปลอดภัยมีมาตรฐานยิ่งขึ้นด้วยนะครับคุณผู้ฟังครับงั้นเดี๋ยวช่วงนี้เราหยุดเรื่องนี้ไว้ก่อนนะครับพักกันสักคู่ช่วงหน้าเรามาต่อกันกับอีกหนึ่งช่วงนะครับเป็นช่วงของขวียข้างครัวช่วงหน้าขวียข้างครัวผมมีเรื่องราวของด่างทับทิมนะครับหลายคนเคยใช้แต่ไม่รู้ว่ามีประโยชน์อะไรมีโทษอะไรผมจะนำมาบอกคุณผู้ฟังให้รับฟังกันในช่วงหน้าติดตามได้ในช่วงของขวีข้างครัวครับ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 พวกโฆษณาชวนเชื่อเนี่ยน่าชื่นอกตรมมานักต่อ น, นักเตือนใจไวัยเก่าต้องรู้เท่าทันสื่อหยุดสักนิดคิดให้ดีถามข้อมูลให้ทัวนท่วทีแล้วตัดสินใจดีๆว่าควรทำตามหรือไม่สนับสนุนรุ่นใหญ่ไวัยเพจไม่เสพสื่อยางสูงเสี่ยงโดยสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชียมหาวิทยาลัยมหิดลฟู้ดเดลิเวอรี่ช่วงกุยข้างครัว มาต่อกันกับช่วงสุดท้ายนะครับกับคุยข้างครัวครับวันนี้คุยข้างครัวนะครับมีเรื่องราวของด่างทับทิมมาให้คุณผู้ฟังรับฟังนะครับคุณผู้ฟังครับด่างทับทิมหรือว่าโพแทสเซียมปูร์แมงกานีสนะครับคือสารเคมีประเภทอานินซีชนิดหนึ่งนะครับที่มีลักษณะเป็นผึ่งหรือเกล็ดสีม่วงสามารถละลายน้ำได้ดีเมื่อละลายน้ำแล้วจะสร้างจะได้สารละลายสีม่วงหรือสีชมพูอมม่วงนะครับทางนี้จะขึ้นอยู่กับปริมาณและความเข้ม ซึ่งโดยทางเคมีแล้วเราถือว่าด่างทับทิมนี้เป็นเกลือชนิดหนึ่งนะครับคุณผู้ฟังซึ่งจะมีฤทธิ์เป็นด่างอ่อนๆและมีคุณสมบัติเป็นสารออกซิเดชันอย่างแรงด้วยปัจจุบันมีการนำมาใช้ประโยชน์ในครัวเรือนหรืออุตสาหกรรมต่างๆนะครับด้วยด่างทับทิมมีประโยชน์หลายอย่างนะครับโดวยมีรายงานว่ามีการใช้ด่างทับทิมเพื่อการรักษาโรคลิซี่ดวงโดยพบว่ามันสามารถช่วยลดหรือบรรเทาอาการอักเสบและอาการป่องบวมของแผลลิซี่ดวงทวารได้นะครับ โดวยอาศัยฤทธิ์ฝาดสมานของด่างทับพิมนะครับซึ่งด่างทับพิมเองก็สามารถนำไปใช้ในการล้างแผลเพื่อฆ่าเชื้อโรคได้เหมือนกันนะครับโดวยใช้ฆ่าเชื้อแผลที่เกิดจากอาการน้ำเหลืองเสียนะครับทำให้แผลหายช้าหรือแม้ก หายแล้วก็ยังทิ้งรอยนะครับโดวยจะช่วยทำให้แผลหายดีขึ้นนะครับด้วยการนำน้ำธรรมดาหรือน้ำอุ่นเทลงในกระมังนะครับหลังจากนั้นก็ให้เทผงด่งางทับพิมลงไปคนให้เป็นสีชมพูเล็กน้อยนะครับหลังจากนั้นก็ให้แช่แขนขาหรือส่วนที่ต้องการลงไปหากกระมังใบไม่ใหญ่พอที่จะแช่ได้ก็ให้สามารถใช้กวักมือแล้วลูบเบาๆได้นะครับประมาณยี่สิบถึงสามสิบนาทีซึ่งสามารถทำได้บ่อยตามความต้องการแต่ถ้าคุณถ้าคุณเกศแนะนำว่าให้ทำในช่วงเย็นก็จะสามารถช่วยได้นะครับ อย่างที่สามนั่นก็คือเกี่ยวกับเรื่องของสปานะครับโดวยด่างแท็บทีมจะถูกนำมาใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆในฐานะเป็นสารออกซิเดชันเช่นอุตสาหกรรมการ ฟอกย้อมสิงทอฟอกขาวเส้นใยสิงทอหรือพวกย้อมไม้ย้อมผ้าเหล่านี้เป็นต้นนะครับซึ่งด่างทับทิมไม่ได้มีประโยชน์อย่างเดียวนะครับคุณผู้ฟังแม้ว่าด่างทับทิมจะมีประโยชน์ในด้านการฆ่าเชื้อต่างๆก็ตามแต่ไม่ได้หมายความว่าด่างทับทิมเองจะสามารถปลอดภัยจนสามารถนำมารับประทานได้โดยไม่เป็นอันตรายต่อร่างกายโดยอยากให้ทุกคนจำไว้เลยนะครับว่าสารทุกชนิดมีพิษไม่มีสารใดที่ไม่มีพิษนะครับโดยปริมาณที่รับเข้าสู่ร่างกายต่างหากที่เป็นสิ่งที่แยกว่าสารที่เข้าสู่ร่างกายนั้นจะเป็นพิษหรือเป็นป นะครับซึ่งหากคุณฟังนะฮะนำด่างทับทิมมาใช้นะครับก็ต้องศึกษา คุณสมบัติของด่างทับทิมที่เกิดปฏิกิริยารุนแรงได้นะครับเพราะว่าการใช้ด่างทับทิมต้องระมัดระวังไม่ให้สัมผัสกับผิวโดยตรงนะครับเพราะจะทำให้ผิวแห้งเป็นขุยหรือถ้าสาระละลายมีความเข้มมากก็จะทำให้เป็นผื่นแดงมีอาการปวดเป็นแผลไหม้หรือเป็นจุดด่างสีน้ำตาลดังนั้นจึงไม่ควรใช้มือหยิบนะครับครบรวรระวังไม่ให้ด่างทับทิมเข้าตาหรือปิวเข้าตาเพราะด่างทับทิมเป็นผลึกเบาเวลาตักก็ต้องดูทิศทางของทางลมให้ดีนะครับเพราะอาจทำให้ฟุ้งกระจายและเข้าตาได้หรือจะ ใส่แว่นกันลมหรือแว่นของนักบินเวลาตักก็ดีนะครับเพราะหากเข้าตาจะทำให้การมองเห็นไม่ชัดเจนและอาจจะทำให้ตาบอดได้นะครับและหากเข้าตาก็ให้รีบล้างออกด้วยน้ำสะอาดทันทีหลายๆรอบและรีบไปพบแพทย์ทันทีนะครับคุณฟังครับและนี่คือเรื่องเราวของดัางทัพทีมที่นำมาบอกคุณฟังในวันนี้นะครับจบกันแล้วนะฮะกับ